ถ้มบทแปลเรื่องที่133เรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบการกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุการานิเป็นต้นตอน พระเทวทัตพยายามทำลายสงฆ์ความพิสดารว่าพระเทวทัตกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงฆ์วันหนึ่งเห็นท่านพระอานนท์เที่ยวบินทบาตอยู่บอกความประสงค์ของตนแล้วพระเถระฟังข่าวนั้นแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดาได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าค่า เวลาเช้าข้าพระองค์ครองสบงที่เวรุวันนี้แล้วถือบาดจีวรเข้าไปสู่กรุงราชครื้เพื่อบินธบาตพระเจ้าข้าพระเทวทัตได้เห็นข้าพระองค์เที่ยวบินธบาตอยู่ในกรุงราชครืแล้วแลตามเข้าไปหาข้าพระองค์ได้กล่าวคํานี้ว่าอาวโุโสอานน์จำเดิมแต่วันนี้ ฉันจับทำอุโบสถและสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ข่าแต่พระผู้มีพระภาควันนี้พระเทวทัตจักทำหลายสงฆ์คือจับทำอุโบสถและสังฆกรรมตอนความดีคนดีทำง่ายเมื่อพระอานนุ์กราบทูลอย่างนั้นแล้วพระศาสดาทรงเปล่งพระอุทานว่า สุกรังซาทุนาซาทุซาทุปาเปนดุกรังปาปังปาเปนสุกระังปาปะมริเยหิดุกรังความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายความชั่วอริยบุคคลทำได้ยากแล้วตรัสว่าอานน์ ขึ้นชื่อว่ากรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทําได้ง่ายกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทายากนักหนาแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสุการานิอซาทุนิอัตโนอหิตานิจจะยังเวหิตันจะซาทุนจะตังเวประมดุกรังกรรมอันไม่ดี และไม่มีประโยชน์แก่ตนคนทำง่ายกรรมใดแลเป็นประโยชน์แก่ตนและดีกรรมนั้นแลทำยากอย่างยิ่งตอนแก้อัดความแห่งพระคาถานั้นว่ากรรมเหล่าใดไม่ดีคือมีโทษและเป็นไปเพื่ออบายชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเพราะทำนั่นแล กรรมเหล่านั้นทำง่ายฝ่ายกรรมใดชื่อว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะทำรรและชื่อว่าดีด้วยอัดว่าหาโทษไม่ได้คือเป็นไปเพื่อสุขติและเป็นไปเพื่อพระนิพพานกรรมนั้นทำแสนยากราวกับทดแม่คงคาอันไหลไปทิศตะวันออกทำให้หันหน้ากลับในการจบเทศนาชนเป็นอันมาก ได้บรรลุโล ก, กุตตรผลมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องกระเสือกกระสนเพื่อจะทำลายสงจบ